แต่กรรมที่ทํา ไ, ไปเนี่ยเป็นอสังขารเล็กนึเวลาเวทนาเหล่านั้นเวลาไปเกิดขึ้นมันก็เป็นอสังขารเล็กแรงมากเห็นไหมแรงมากแต่กลุ่มที่เป็นสังขารเล็กยกตัวยอย่างเช่นโทมานัสเวทนาที่เป็นสังขารเล็กเนี่ยไอเวทนาโทมานัสที่เป็นอสังขารเล็กก็ยากโทมานัสที่เป็นสังขารเล็กก็ละเอียดกว่าอย่างเงี้ยนะเห็นไหมก็ยังมีต่างกันเลยถ้าเวทนาที่เป็นไปในส่วนของตลอดกลับของสุขเวทนาของพวกรูปภพมรูปภพเนี่ยนะโดยเฉพาะรูปภพเนี่ย อันนั้นก็ตั้งอยู่ตลอดกาลเหมือนกันอย่างเช่นกาและเทวินดาบทเกิดในเนวะอย่างเงี้ยนะเขาตั้งอยู่ตลอดกัลเลยนะพระเจ้าจะมาตรัสอีกข้างหน้าเนี่ยไม่รู้จีดล้านล้านองแต่อายุไขของท่านพู้นี้ก็ไม่ยอมหมดเนี่ยนะอันนี้ก็มหาชนิโยอีกแล้วเสื่อมใหญดูทีเนี่ยไอตัวมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเวลามันให้สูงมันก็สูงแบบผิดพลาดลงต่ําก็ไม่ต้องพูดถึงนี่เวทนาประเภทที่ตั้งอยู่ตลอดกาลเนี่ยมันก็ประเภทอาสังหรือศาสังก็ว่ากัน แบบหยาบล ะ, ละเอียดใช่ใช่ใชแม้แต่กุศลในการก็ไปจัดหยาบจับละเอียดอีกทีหนึง่งวัดไปตามความตั้งอยู่และไม่ตั้งอยู่ก็ว่ากันไปนอสังขาริกและสังขาริกทีนี้เวทนาที่ประกอบกับโลภะประกอบกั บ, กบทิฏฐิเอาไรแต่เนี้ยในกลุ่มที่เป็นโลภะเวทนาที่เป็นสมณัตที่ประกอบกั บ, กบมิจฉาทิฏฐิเวทนานี้จดัดว่าเป็นเวทนาหยาบกว่าเวทนาที่ไม่ประกอบกั บ, กบมิจฉาทิฏฐิเห็นไหมต่างกันเลยไหม เวทนาที่ประกอบกับมิจฉาทิฏฐิเป็นเวทน า, าหยาบเทนาที่ไม่ประกอบกับมิจฉาทิฏฐิเขาละเอียดกว่าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ไปพูดถึงในเรื่องของคําว่าหยาบคำว่าละเอียดที่เป็นไปกับทิฏฐิที่นี้เวทนาที่เกิดเสมอดํารงอยู่ตลอดกับหรือเป็นอสังขาริกเป็นเวทนาหยาเวทวนาอื่นๆที่ไม่เกิดเสมอและไม่ดำรงอยกกู่ตลอดกับเป็นศาสังขาริกก็เป็นเวลานเทวนาละเอียดก็ไล่ไปตามลําดับอคุสลเวทนาที่มีวิบากมากเป็นเวทนาหยาบกว่าอกุศล วิบาบ ก, กว่ากว่าอกุศลเวทนาที่มีวิบากน้อยเช่นสมมติยอมสมาน ท, าทําบาปทําปานาติบาตนะไละนี้ดีกว่ายอมสมานทําปานาติบาตเองเลยทําด้วยฉันทะทําด้วยวิรยิยะจิตตาวิมังษาเลยว่าไปยังไงที่บดีโองแดงหนึ่งเออวิมังษาไม่เอาแล้วมันไม่เกิดก้าอุศลตัดวิมังษาไปทําด้วยฉันทะทําด้วยเวรยิยะทําด้วยจิตตาก็มุ่งมั่นเวทนาหยาบใช่ไหม เวทนานี่อยากเวลาให้ผลก็นหนักนะอีกคนนึงถูกบังคับให้ทํบานาดิบาต์าถูกบังคับให้ทําเหมือนกันแล้วทำเวทถูกเดียวกันชิ้นเดียวกันเหมือนกันเี็นนี่เวทนาต่างกันแล้วนะอีกคนนึงยืนดูไม่ห้ามเห็นด้วยเออใช้ได้ใช้ได้ไดสามคนเนี่ยแม่เวทนาเนี่ยจะอยากต่างกันเป็นธรมนัสเวทนาเหมือนกันหมดนะคนแรกเนี่ยตายไปแล้วไปเกิดใน เป็นสัตว์นรกสมมติโยมสมานเนี่ยหนุนปุ๊บเลยเป็นสัตว์นรกไอ้คนที่ถูกบังคับไม่ทำเป็นสัตว์เดรัจฉานไอ้คนที่โอ้ยดีดีดีเกิดเป็นเปรตเห็นไหมสภาพของเวทนามจะต่างกันอย่างนี้ถ้ายามยังไม่ห้ามไอ้วกที่ไม่ค่อยชอบฟามลูกหลานนี่ได้เกิดเป็นเปรตเวลาเขาทำบาปเนี่ยนะอย่างถ้าเขาไปรักของมาไม่พูดแต่ในใจเออดีแล้ว ฝกไว้บ้างจะได้รู้จักเลี้ยงนื้อดูแลตัวเองว่ากูไม่อยู่สมมติไเนี่ยเนี่ยได้มาเป็นเปรตพวกนี้เป็นเปรตเวรนาหรือเป็นเปรตเนี่ยนเวทนาไม่ห้ามไม่ห้ามคนทําชั่วถ้าอยู่ในฐานะที่ยังห้ามได้เราไม่ได้ทําเลยใช่ไหมไปร่วมยินดีก็เสียแล้วอ้าวเขาเดินอยู่ก็ยินดีแล้วยินดีฮะยินดีเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าไอความยินดีนั้นไม่ห้ามอ้าวเขาเดินขบวนเขาไปนะ เขาเดินขบวนนะเพื่อไปทําพวกปิีศาวนาจาหมือว่าจะกลุ่มใดก็แล้วแต่เนี่ยนะเพทําให้แตกแยกเนี่ยนะไปด่าไปเสียดสีไปแตกแยกปุ๊บนี่ยอะคนไปร่วมไอคนไปทําก่อนเนี่ยนะอ่าแล้วก็ถูกไอคนไปร่วมเห็นด้วยนะั่นก็ว่ากันไปใช่ไหม <S 2> <S 2> ไอกลุ่มเดียวไปงั้นก็ว่าไปอีกกลุ่มหนึ่งถูกบงังคับไม่ไปไม่ไปไม่ได้ถูกบงังคับไมไปอีกกลุ่มหนึ่งไม่ไปหรอกแต่เห็นด้วยเดี๋ยวเชียร์อยู่ดี เนี่ยก็จะก็ลดหลั่นกันอย่างเงี้ยเวทนาก็จะลดหลัน่นอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงที่ไปด่าเขาเนะเสียอีกไอเวทนาไออักสนเวทนาเหล่านี้ยเข้าใจอย่างโอ้หน้ากลัวถ้าไม่เข้าใจเรื่องเวทนาก็เป็นโทษเนี่ยบางทีการศึกษาคําสอนของเราท่านทั้งหลายที่ศึกษาและวิจัยไม่ดีเนี่ยมันจะเสียหายอเยอะเริ่มมองเห็นยังต่อไปยังจะยินดีไปในเนี้ยก็ยินร้ายก็เสียหายยินดีก็เสียหายยังไงเป็นเวทนาที่ ไม่ควรไม่ควรเสพเป็นเวทนาที่ไม่ควรเสพเนะี่ยเวทนามีอมิตรไห ม, ไมเนี่ยเวทนามีอมิตรนะแม้เรียนเวทนาโนปสนาไปนั่งดูทั้งคืนเนี่ย น, นี่ไม่เหมาะเพราะเวทนาไม่ควรเสพเข้าจใจยังต้องรอบรู้นะรอบรู้อย่างเดียวรอบรู้ไปเสพไหมไม่เสพเนะี่ยต้องรอบรู้เพราะในเราไว้ใจใจเราได้ไหมทนายขนะดที่ไปดูดูเนี่ยเผอยินดีได้ไหมเผอยินร้ายได้ไหม เอาไปนั่งทําให้เวทนาอกุศลเวทนาเกิดบ้างใช่ไหมเอาอกุศลเวทนาแบบโทสะเกิดบ้างอกุศลเวทนาแบบโลภะเกิดบ้างอกุศลเวทนาแบบโมหะเกิดบ้างเป็นเวทนาที่มียามิตรบนเลยพระพุทธเจ้าว่าควรเสพรือไม่ควรเสพไม่ควรเสพนะไม่ควรเสพแปลว่าไม่ควรให้ขึ้นสู่ชาวนะเข้าใจนะควรละไหมควรละควรรอบรู้โดยควรละเนี่ยเพราะเวทนาเหล่านี้ให้บนเป็นทุกข์นี่เริ่มเข้าใจยัง กลับไปเปิดดูละครแม่โอ้เรื่องนี้ยังติดใจยอยู่รุ่นไงเวทนาเมียมิดไหมเมียมิดเนะี่ยงั้นกลับไปบอกไม่เอาแล้วมอกเจ้าโทรละท้าเถอยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเองค่าจากกันเล่โอทําไมทำไมฟังไม่รู้วิธีคิดเลยเนะแตอนนี้รู้วิธีวิธีคิดแล้วยังจะไปทําอีกไห้เนี่ยถาเนี่ยมันไม่พอคือในคําสอนของพระเจ้าเนี่ยพวกอง์สานี่มองให้ใครครวรให้พิจารณาอย่างนี้ การเป็นสาวกของพระพเจ้านะั้นพระเจ้าเป็นผู้มีปัญญาใช่ไหมสาวกของท่านก็ต้องมีปัญญาพระเจ้าไม่มีสาวกโง่เนะ่ยตเข้าใจสาวกของพระเจ้าต้องฉลาดเข้าใจใช่ไหมไม่ใช่ฉลาดแกมโกงเงินกว่างใยต้องฉลาดเป็นปัญญาจริงๆอ่ะปัญญาต้องเป็นไบกัุศลนะต้องเป็นไบกัุศลก็ต้องวิจัยได้เลยได้ท่านจะมีความเข้าใจแะมีความเข้าใจมีความลึกซึ้งมีคําสอนมากขึ้น นี้ก็ก็ไปฝึกวิจัยกันอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้บอกบอกวิธีแบบเริ่มต้นให้กันนั้นเองถ้าใครไปวิจัยได้มากกว่านี้นะโอ้โหคนคนนั้นก็เรียกสมมตมาอีกอาทิตย์หนึ่งโอ้โหทุกคนวิจัยได้ปุ๊บปุ๊บป๊ปุปป๊เนี่ยเอาเอามาชินใจเลยบอกโอ้โหอย่างนี้สิใช่ไหมไม่ใช่ว่ามาถึงที่ไรก็มานั่งหง่อยๆทำท่าเ๋ <c oughs> ยจะไปรอดหรือไม่รอดได้งานนี้ใช่ไหม แปลกจริงๆนะบางทีมาศึกษาคำสอนเบบติึก็ดูหน้าตาเหมือนคนจะสู้สักพักหนึ่งนะครับเ <c oughs> พราะแค่เจ็ดวันผ่านมามาดูอีกทีตาลอยพระเพะที่สมมาเลยอะพระเพจที่แพ้ยับเยินกลับมาทุกทีนี่ประหลาดแท้กิเลสมันรุนแรงขนาดนั้นเลยไนงะอะไรนะ อ๋อมันมีสองกลุ่มเนี่ยแม่กลุ่มประเภทมานอนหลับก็มีแต่แ ต, แต่แต่ในกลุ่มที่กลุ่มที่เขาเรียนวันจันทร์วันอังคารนี่นอันนั้นพูดรับหลังเขาได้เขาเขาเข า, เขาเพียนพยายามสูงมากสูงมากมาก วันจันทร์วันคารมีประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบคนหรือบมาจากยี่สิบกคนบางทีก็นี่ยประมาณยี่สิบคนเขาเขาเขาตั้งใจสูงมากสูงมากมากคือเป็นประเภทที่เจ็บปวดมาจากสํานักต่างๆสิบปียี่สิบปีเดินผิดเดินพลาดก็ค่อนข้างที่คือคือประเภทที่เดินผิดมาเยอะแล้วก็ไม่ต้องการที่จะไม่ต้องการที่จะผิดอีกแล้ว เสียเวลามามากแล้วก็เหมือนก็มองก็คิดกันได้บอกว่าเดี๋ยวตัวเองตายแล้วเวลาคนขวายกันเลยบางคนก็ทิ้งเลยอ่ะทิ้งแต่ก่อนนี้ชอบเรียนตลอดเลยนะศึกษาก็ทําอะไรแมวแล้วก็เริ่มตัดช่องเรียนแบบบ้าข้างมาเรียนแบบวิจยัยแล้วเริ่มตึกเริ่มใคร่ควรเอามาใช้เลยให้ได้เลยนี่นี่ก็เออเห็นนี้ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงกันเยอะก็เราก็นองมองดูโอ้นี่นี่เขาเขาเขาสนใจเขาก็ถาำเหมือนกันนะ ถามว่าที่ยุทยาเป็นเงินก็เหมือนโอเคโอเคเอามาเขาบอกโอ้ที่นั่นเขาเขารู้สึกกระตือรือร้นบ้างอาจจะไปอาจจะไปบอกไอาจจะไปบอกว่าโอ้ยตอนนั้นงอยเงาเงียบเงาอีก็ก็ไปพูดไปก็ไมนดีก็คือคือจริงๆจริงๆก็ถ้าถ้ามองมองมองดูถ้าถ้ากลุ่มใหญ่ที่พูดโลกเนี่ยถ้าถามว่าแต่ก่อนเนี่ยมีประมาณสามร้อย แต่พอฟังประเภทที่แบบมาราธอนเลยใช่ไหมฟังปกติก็จะฟังแค่ครึ่งวันนะ่ะแต่มาบอกว่าไม่เอาถ้าต้องการจะศึกษาพระธรรมถ้ให้อาจาบรรยายนะต้องทั้งวันเนะ่ยพอทั้งวันก็มาจะอยู่หนักเข้าจริงๆอยู่ประมาณสัก100ร้อยกว่ากวนะ่าเท่านั้นเองแล้วอยู่แค่นั้น100ร้อยกว่ากวนะ่าเท่านั้นคือคือต้องยอมรับว่าเขาไม่เคยฟังแบบนี้มาก่อนเลยนั้นพอเขามาฟังแบบนี้เนะี่ย เขาก็ต <kiem> ้องมาฝึกต <t> ัวเองฝึกตัวเองใช่ไหมอีกกลุ่มหนึ่งบอกโอ้ไม่ไหวแล้วก็ถอยออกไปประมาณร้อยกว่าคนก็เหลือประมาณร้อยกว่าคนเหลือร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบยู่มันก็เป็นเรื่องปกติเพราะจริงๆแล้วก็คือว่าอยากให้เขารู้ว่าจริงๆคือเขาฟังมาเย็นห้ามงเย็นเนี่ยปกติในกรุงเทพทั้งห้าโมงเย็นกลับแล้วก็ติดกันเยอะๆเขาก็อยู่ที่จะฟังกันแล้วเจริญพุทธุลเพราะช่วงท้ายต่างๆเขาก็ต้องการอยากจะให้ ติดเจริญพุตรุลครับเขาต้องการอย่างนั้นก็ตรงนี้ก็เป็นอามาก็บอกว่าก็ดีแล้วเรากรองแล้วก็ได้กลุ่มที่เขาสุดสนใจจริงใช่ไ้มก็เขาพยายามฝืนบางคนก็แย่นะสุขภาพร่างกายก็แก่เท่ากันแล้วอะไรต่างแต่บางคนเก็เพียรพยายามที่างนั้นกันก็ลอง ที่เท่าที่สังเกต ด, ดูแต่ก่อนเนี่ยไอ้กลุ่มซัดสายเยอะๆใครมาพูดเขาฟังมั่วๆไปเรื่อยเนียแต่ไม่น้อมี่ศึกษาเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยค่อนข้างจะไม่มั่นคงก็ไปตามลมพัดไปเรื่อยใช่ไหมเพราะตนเองไม่มีหลักไม่มีหลัมาก็บอกว่าชี้ดูว่าไปไปพิจารณาดูว่าตอนนี้มันไปเสียเวลาแบบนั้นไม่ได้แล้วคุณต้องเดินละคุณต้องมุ่งมั่นเลยก็บอกรับ ทตรงนี้ก็คือว่ากุศลเวทนาที่มีวิบากมากตรงนี้ก็ให้เข้าใจหรือกุศลเวทนาเหมือนกันนะนะกุศลเวทนาที่มีวิบากน้อยเป็นเวทนาหยาบถ้ามีวิบากมากก็เป็นเวทนาละเอียดนี้นต่างกันนะถ้าอกุศลเวทนาที่มีวิบากมากนี่เป็นเวทนาระยัยบคืออกุศลเวทนาที่ให้วิบากใหญ่หรือวิบากยาวเนี่ย อันนั้นเป็นเวทนาหยาบใช่ไหมแต่ถ้าหากอากุศลเวทนาที่ให้วิบากน้อยอันนั้นเป็นเวทนาละเอียดไปนั้นเฉพาะอากุศลนะแต่ถ้ากุศลกุศลเวทนาที่ให้วิบากน้อยเช่นให้ทานรักษาศีนึกฟังธรรมประเภทที่กุศลเกิดน้อยมากอากุศลแทรกอาธรรม ถ้าฟังทำแล้วมีบาปมาแทรกคื อ, อยังไงโดยมากอย่างเราทั้งหลายเวลามาฟังแล้วบาปแทรกรือบาปตัวไหนจะแทรกมากที่สุดโทศะกับโลภะอันไหนแทรกมากที่สุดโทศกัณฐแทรกหรือฟั ง, งทำเนี่ยอ๋อเป็นใบกับโทศกัณฐ์ด้วยเนาะอกุศลสัสังขาริกจิตห้าไงมีโทศกัณฐ์อยู่ด้วยไหมมีทศกัณฐ์ด้วยโลภะสัสัง ข, ขาริก 4, รสีท่ทศกสัจสังขาริกหนึ่ง บางคนเนี่ยหลับๆอยู่เนี่ยตัวสาวมันเกิดนะเนี่ยเป็นนิวร์นะเป็นเป็นเป็นเป็นมารด้วยนะเป็นกิเลสมารด้วยเป็นนิวร์ด้วยเป็นเครื่องกั้นด้วยนะเป็นเครื่องกั้นดักไม่ให้กุศลเกิดด้วยโอ้โหหลายตัวเหลือเกินเนี่ยเนี่ย แล้ทำไมไปดูละครไม่หลับเลยอ้างจังเลยเนี่ยชอบอ้างจังเลยเวลาจะเรียนธรรมะที่ไรมาย้อนถามยิ้มเห็นต่อมาอีกเลยเนี่ยไปดูเนี่ยไอ้ที่ง่วงๆนี่แหละไอ้ที่ง่วงๆนี่นะลองไปคงเข้าโรงภาไปยนต์นี่ไม่เคยหลับเลยพวกนี้นะอุ้ยตื่นเต้นมากเลยเพราะเสียงรอบทิศ ท, ทางปุบปุปุบปุบปุบประว่างกันเนี่ยขนเนยขาบอกเวลามาฟังท่านบรรยายทำที่ไรยอมจะหลับทุกทีว่างั้น ยอมลองไปเข้าโรงภาไปยนต์ดูยอย่ากไปพิศโสนดูเนี่ไม่เคยหลับเลยั้นะสามชั่วโมงตาแป๊วเลยว่ะเออประหลาดมันเป็นเพราะแล้วเป็นพาอะไรใช่ไหมก็เราเนะี่ยมันอยู่กับกีเรสยริงหรืป่าเหมืนอนต้นนอนไงมันนอนไงนอนในเวลาออกแกกองอุจจาแล้วเป็นไงมันหงอยไหมนี่มันออก <laughs> มันจะเก่าเข้ากองอุจจารใหม่ กุศลกุศลที่มีมีโรคเป็นปัจจัยนะครับใช่าทำไม่เสร็จจริงที่จริงก็ใช้คาอย่างนี้โยมสมัยก็ใช้คาว่ากุศลที่มีอกุศลแวดล้อมก็อย่างที่อย่างผมจะพูดอย่างนี้คือว่าคือทำบุญเนี่ยก็อยากได้กุศลอาจจะเนี้ยรูแล้วมันจะเป็นอกุศลเป็นปัจจัยใช่ไหมเมื่อเมื่อเมื่อสิ้นสุดไปแล้วเนี่ย เมื่อมันสําเร็จลงไปแล้วเนี่ยเพราะตัวปัจจัยตัวเองเขาก็เป็นหนักกุศลอยู่แล้วทีนี้จะมาถามว่ากุศลเนี่ยที่ว่าเราทําสําเร็จแล้วเนี่ยตรงนั้นมันจะเป็นกุศลได้ไหมอาจารย์ใจเด็กต้องถามอาุศลเป็นปัจจัยเกิกุศลแล้วก็ถามว่ากุศลที่ทําไปแล้วนั่นจะเป็นผมจะถามเนตัวปัจจัยอยู่เนี้เพราะว่าผมจะาได้บุญนะเอออา แตไอ้ตัวตัวอยากได้มันเป็ น, นเราเพกันแล้วเมื่อทำสำเร็จเนี่ยเพราะใจก็เป็นหนุนอ๋อเข้าใจถึงนั้นคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้เนาะสมมติตรตงเนี้ยถ้าตั้งประเด็นตรงนี้ตั้งต่างอมันชัดสมมติโยมสมานทำบุญจะอยากได้บุญไอ้คำว่าอยากได้บุญในที่นั้นคืออะไ ร, รใช่ไหม ถามว่าต้องไปดูก่อนที่เราอยากได้บุญนะในความเข้าใจของเราที่ว่าอยากได้บุญนะไอ้ตัวความอยากของเรามีอะไรเป็นอารมณ์อยู่สมมุติว่าเราต้องการอยากจะเป็นเทวด า, าวใช่ไหมหรืออยากจะเป็นเศรษฐีเราก็ให้ทานเลยไอ้ความอยากเนี่ยไอ้ความอยากก่อนที่จะเป็นกุศลเนี่ยไอ้ตัวนั้นะ เ, เป็นอากุสุโรแน่นอนอากุสุโรธรรมโอเนี่ ย, ยแต่เป็นกุศลศาสธรรมศรรั ก็หมายความว่าอกุศลนั้นเป็นอุปนิสยปัะจัยก็ได้หรือเป็นเป็นอุปนิสยปัจจัยแก่กุศลเป็นเหตุแวดล้อมว่าเออเนี่ยเราจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ด้วยอาการอย่างนี้เพราะเราเห็นคนให้ทานและเบ็ดเสร็จแล้วในผลการให้ทานเป็นอย่างเนี้ยเราก็อยากอยากจะได้ฐานะนั้นอยากจะได้เป็นเศรษฐีอยากจะได้เป็นพระยาจักรพรรดิหรืออยากจะเป็นเทวดาอะไรก็ว่ากันไป ไอความอยากที่ไปตั้งไว้ดูว่ารมีเศรษฐีเป็นอารมณมีจักรพรรดิราชเป็นอารมณ์หรือเป็นราชาเป็นอารมณ์หรือว่านั่นแหละมีสวรรค์นั่นแหละเป็นอารมณเนี่ยเป็นอารมณ์น่าปรเนี่ยความอยากตรงนั้นน่ะนะมีตัวเป็นโลภะแต่พอไปดําเนินกุศลเกิดขึ้นเข้าใจไหมกุศลที่เกิดขึ้นเป็นกุศลแท้ๆเลยเนี่ยนะคนละชาวนะกันใช่ไหมคนละการกันและที่กุศลที่เกิดขึ้นนั้นเบ็ดเสร็จด้วยการที่ตั้งอัตยาศัยไว้ไม่ดีกุศลนั้นเขาเรียกวัตต์ พอกุศลประเภทนี้มีโอกาสให้ผลให้ได้จริงๆให้ให้เสร็จให้เป็นขน้านาบดีให้เป็นราชาให้เป็นยกระพัดได้จริงๆด้วยแต่เมื่อไปเป็นเบิกเสร็จแล้วก็ไปติดอัธยาศัยที่ติดนั่นในวัตถุกรรมสูงมากเพราะตอนเองมันสมใจยงไงนะพอมันสมใจเนี่ยนะเขา้าเนเขา้าไอ้มิจฉาทิฏฐิก็จะฝังนั่นไม่อยากจะอาจากไม่อยากจะออกจา ก, า ก, จออกสิ่งเหล่านั้นเลย ไอ้ความแวดล้อมตรงนี้มันจะคอยมาเป็นอุปนิสัยประจัยจะย้อมสมานทําให้ไม่เคยคิดอยากจะออกจากการพ้นทุกข์เลยรวยได้แต่เสี่ยงไม่เสี่ยงโอกาสตกโอกาสท่าสูงมากมันเป็นยังไงนั้นแต่กรณีในลักษณะอย่างนี้เราก็จะเห็นโดยทั่วไปคนบางคนเนี่ยโอ้ยถ้าเรื่องทานนี่ไม่อั้นเลยนะแต่ถ้าสีแมวแล้วอยางจะขึ้นเสาน้ํามันแล้ว เคห็นเขาขึ้นเสาทั้งมดอาจารย์นะเราตั้งใจทำบุญเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งถ้าเราไม่มีความตั้งเจตนาว่ามันเป็นกุศลในด้านใดด้านหนึ่งเวลาเราจะทาบุญเนี่ยก็คิดออทบุญไม่คิดอะไรเลยคืออย่างนี้ไม่ตั้งความนตั้งกับเป็นตรงนี้ตรงนี้อาจารย์พระพุทธพจน์มาอธิบายฟังทีแล้วเนี่ย บอกว่าการทําบุญทุกครั้งให้ปราถนาปรินิพานให้ปรารถนาเพื่อให้เป็นให้ให้ถึงพระนิพานถึงจะไม่เป็นไปกับกิเลสหนึ่งหนึ่งเข้าใจนิพานด้วยสองทำบุญแต่ละครั้งไม่ว่าจะนิดหรือหน่อยนั้นให้ปรารถนาเพื่อเป็นไปแก่ความพ้นทุกถึงจะไม่เจือกับกิเลสเพราะนิพานนั้นเป็นตัวดับกิเลสใช่ไหมเราทําไปเพื่อการดับต้องการดับรูปเวทน า, าสัญญาสังขารมีอย่างนี้ก็วัตฏคามิเนกุชลกุชลเหล่านี้ไม่เจือ้วยกิเลส ท่านก็วางหลักไว้อยู่ให้ไปเราโบราณอาจารย์ก็เลยบอกว่าขอให้ถึงความพ้นทุกข์คือพนานิชานเทอเราก็รู้กันหรือไม่รู้แล้วพ้นทุกข์กันเป็นแถวหมดใช่ไหมขอให้ถึงความพ้นทุกข์คือพนานิชานและความพ้นทุกข์ต้องไปถามทีความเข้าใจแต่ละบุคคลไม่เท่ากันเลยนะบางคนกับพ้นทุกข์ก็คือตอนเองจะได้เกิดชาติไหนชาติไหนได้มีแต่ความสุขอันนี้มันก็เพี้ยนอีกใช่ไหมมันก็ต้องไปเจาะในรายละเอียดกันแต่ละบุคคลอีกทีนี้ยเราก็ต้องศึกษาว่าความพ้นทุกข์จริงๆนั้นก็คือการดับ รูปเวทนาสัญญาสังขารมีอย่างโดยเฉพาะเวทนาีนเวทนาที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยตอนนี้เวทนามันไม่เย็นใช่เวทนาสงบไหมยังยังมีเวทนาอีกเยอะไหมที่เราจะต้องไปรับกรรมที่เราทำไว้ที่ผลิตเวทนารอเราอยู่ในอนาคตเยอะไห ม, มเราจะโดดสวมเวทนาอะไรเท่านั้นเอง ไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นเลในชาพุทธจะไม่มีการเลื่อนลอยถ้าถ้าเราเราทำบุญเราไม่ทำความปัาเพราว่ามันจะเป็นอาวุิกรรมไม่ใช่คือคืออย่างนี้เขาเรียกว่าทําบุญแบบมีโมหะก็หมายความบอกว่าให้สังเกตดูไหมว่าทําไมในอเนกชาติสังสารังเป็นต้นอะไรเนี้ยบอกว่าดูก่อนในช่างคือตัณหาวะบอกว่าเดี๋ยวนี้เรา เรารู้จักตัวท่านแล้วด้วยการที่เราไม่พบโพธิญาณ น, นี่นะ่ะเราจึงท่องเที่ยวในวัฏฏสงสารจนหาจนนับชาติไม่ทวนตอนนี้โคงเรือนเราก็รื้อแล้วกิเลสทั้งหลายต่างๆเนะี่เราอื่นแล้วก็ลื้อออกไปเสร็จไหมเหมือนโคงเรือนครงร่างอนะ่ะรื้อออกหมดแล้วยอดเรือนใช่ไหมเราก็ได้หักออกแล้วยอดเรือนก็คือเหมือนอุโบสถเนี่ยเหมือนช่อฟ้าถามว่าพระโวสถ์เนี่ยถ้าไม่มีช่อฟ้าเป็นโบสตร์ไหม เห็นไหมขันเนี่ยรูปเวทน า, าสัญญาสงขารวิญาณของสัตว์เนี่ยมันมีตัวช่อฟ้าคือโมหะนั้นโมหะนี่มันปิดกระแสขันหวดอุปมาเหมือนกับช่อฟ้าถ้าเอาโมหะออกขันไม่เรียกว่าขัน เ, เลยวิบัติทันทีเลยขันะพังดังนทีนะเหมือนอุโบสถนะเอาช่อฟ้าออกแล้วไม่เรียกอุโบสถหรอกเข้าใจยังเนี่ยเราเนี่ยเอาช่อฟ้าคือโมหะออกไม่ได้ เลยทำลายกระแสขันไปมันก็ไปชมกันอยู่นั่นแหละใช่ไหมโยมสมมยั้นหักยอดเรือนซะถอนยอดเรือนนะถอนได้ด้วยอะไรโยงนอกถอนด้วยอะไรหักด้วยอะไรดีไอยอดเรือนคือโมหะมันต้องถอนด้วยอริยามากใช่ไหมถอดด้วยอาริยามากหักด้วยอริยามากโสาปาฏิมารีที่ถอดยอดเรือนหมดได้ ย, ยังทำไมสกาทาคามีมากานาคามากอะไรแต่ว่าก็ถอดให้หมด แล้วต่อไปมันจะได้ไม่มีการประชุมขันณที่ไหนอีกเนี่ลองไปประชุมณที่ไหนอทุกก็เกิดณที่นั้นอย่าไปได้ประชุมเด็ดขาด น, นขันเนี่ยไปประชุมณที่ไหนแล้วเจ็บปวดตรงนั้นแหละจริงไม่ยอมบงคเ น, นี่ยลองไปประชุมดูดิเนี่ยพบไหนลองไ ป, ไปนั่งประชุมขันเนี่ยเนี่ยมันทรมานอยู่เงี้ยเนี่ยประชมแล้วมันก็ทุกข์กอปัญหาตรงนี้ก็คือการวิจัยดังที่ได้กล่าวนี่แหละก็เหมือนกันที่ว่าวิจัยเนี่ยรู้จั ก, กรอบรู้เวทนาไหมใช่ไหม รู้จักเวทนาไหมถ้าไม่รู้จักเวทนาเนี่ยใช่ไหมถ้าไม่รอบรู้เวทนาไม่กําหนดรอบรู้เวทนาตั้งที่เป็นอดีตนาคตปัจจุบันถ้าไม่รู้จักเวทนาให้ดีเนี่ยเวทนาก็เป็นที่ตั้งของความเข้าใจผิดงั้นการรู้จักเวทนาเนี่ยเชื่อรู้จักขนันอื่นด้วยนะเนี่ยเรากําลังเรียนเวทนาเนี่ยขนันอื่นพลอยถูกเรียนไปด้วยพลอยถูกรอบรู้ไปด้วยพลอยถูกอลอกคาบไปด้วยนะเข้าใจยัง ตรงนี้ก็ต้องมารู้จักเวทนาบอกกามรมาวจรเช่นเวทนาที่เป็นไปในการมาวจรนี่เป็นเวทนาที่หยาบใช่ไหมหยาบก็รูปราวจรและเป็นเวทนาที่ละเอียดที่รูปาวจรก็เป็นเวทนาที่ละเอียดก็รูปาวจรเป็นต้นโลกุตระเวทนาละเอียดก็รูปาวจรก็ไล่ไปตามลำดับเวทนาในการมาในกามวจรเวทนาในรูปาวจรเวทนาในรูปาวจรเวทนาในโลกุตระเห็นไหมความหยาบ มันจะต่างกันเป็นไปตามระดับอย่างเราท่านทั้งหลายมีเวทนาในไห น, ไหนใช่ไหมและในกามรมาวจรนะั้นเป็นเวทถ้าระวังของเราก็เป็นไปในกามาวจรตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมเวทนาของเราที่เป็นไปเก่าอิบบกนี่ประเด็นก็คือว่าในกามาวจรที่เป็นเวทนาของเรานะั้นเป็นกุศลเวทนาหรืออกุศลเวทนาเป็นส่วนใหญ่นนนในบรรดาอกุศลเวทนาก็ไปแยกดูระหว่างโลภะกับโทสะโมหะไหนเวทนาไหนเกิดมากที่สุดโลภะกับโทสะไหนเกิดมาก เคยไปสังเกตไหมเวทนาอยากใช่ไหมเราก็ไปสังเกต ด, ดูทีบางกลุ่มก็โทรสาเวทนาวันวันหนึ่งเราจะได้เวทนาอย่างเงี้ย ไ, ได้เวทนาอยาก <Okay. S 1> เช่นอารมณ์ที่มากระทบทางทวารตาหูจหมกูกรินกายใจแต่ละครั้งทำเชีวิตจริงไหม <Okay. S 1> ใช่ไหมเอาไปเกี่ยวข้องกับคนนี้ปุ๊บชอบใจก็เป็นโลภเวทนาเวท น, นาที่เป็นไปกับโลภใช่ไหม <Okay. S 1> ถ้าไม่ชอบใจก็เป็น เหนไหมเวทนาที่เป็นใบกับโทสะแล้วเฉยเฉยไม่รู้ตามความจริงเหรอเวทนาจะก็เป็นไบกับโมหิไห ม, ไมทีนี้ในบรรดาอากุศลเวทนาก็มีโอกาสเกิดในกระแสะขันท่อนาอายตนะของเราทั้งหลายมากกว่ากุศลเวทนาอันนี้ไม่ต้องทํานายอนาคตแต่คิดเองเข้าใจไหเข้าใจไหมเนี่ยทีนี้นะในบรรดาเอาฟังธรรมเนี่ยเป็นภาวน า, ากุศลไหม ภาวนากุศลมีสองกลุ่มเป็นเวทนาอยากกับเวทนาละเอียดถ้าหากในขณะที่ฟังธรรมนี่นะเป็นใบกับกุศลแต่เป็นไปกับยานวิปยุทธเป็นเวทนาอยากถ้าเป็นไปในขณะยานสามยุทธเป็นเวทนาที่ละเอียดเอาขกอสังเกตเอาตัวนี้ <laughs> ใช่ไหมไม่ใช่ก็ต้องเนี่ยไงเราก็รู้ว่าออปัญญามันเป็นไปกับ ก, บการฟังไหม ไอ้บางทีใช่ไหมปัญญาเป็นไปการฟังศรัทธาเป็นใบกับการฟังวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเอาตัวอินรี่ห้าไปจับควบคู่กับเวทนาไม่ได้ชัดทีนี้ในชีวิตเราเนี่ยบางทีเราไม่เคยสังเกตพวกนี้กันเลยเนี่ยใช่ไหมไม่เคยวิจัยเวทนาเหล่านี้เลยนะามชีวิตแล้วถ้าไม่ไปฝึกวิจัยเวทนาเหล่านี้จะเข้าใจเวทนาแต่ที่ไหนทั้ทงๆั้งพระเจ้าก็สอนก็อยู่ในพระไตรปิฎกใช่ไหมแล้วไม่เคยอานั่งวิจัยนะท่านมหาก็วิจัยไม่ถามจริง ยังเลยโอ้ยยังไม่ว่ากันแล้วตวนน้นั้นเวทนาที่เป็นทวิเหตุก็เป็นเวทนาอยาบเวทนาที่เป็นติเหตุก็เป็นเวทนาที่ละเอียดทีนี้ในบรรดาทีเท่เวทนาที่เป็นติเหตุเนี่ยก็มาแยกอีกแล้วเวทนาที่เป็น ส, สังขาริกก็หยาบ ก, กว่าเวทนาที่เป็นอสังขาริกเนาะก็ไล่ไปตามลำดับตัวเนี้ยอันนี้คือกลุ่มที่เจริญกุศลทานกุศลศีลกุศลภาวนาอัานะิญญาะ อ่อนน้อมเนี่ยการอ่อนน้อมเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเป็นทวิเหตุหรือเป็นติเหตุมีปัญญาประกอบหรือไม่มีปัญญาประกอบก็ไปสังเกตว่าหยาบหรือละเอียดเวทนาที่เราได้เนา ะ, ะพอพูดประโยชน์โอโ้ยอนสุวรรณหงษ์เนี่ยถ้าพูดประโยชน์นี่ออกนำหน้าเลยลองไปดูที่เป็นไปกับกุศลไหมก็ไปดูเวทนาที่ได้เวทนายาวหรือละเอียดเห็นไหมมันก็จะสังเกตได้แต่เนี้ยมันจะได้ภาวนากุศลที่ชาติ หรือได้ไดไดกุศลที่ค่อนข้างชัดขึ้นใช่ไหมเอาไปเพื่ประโยชน์หรืวายาวัจาะปฏิทานะการให้ส่วนบุญปตานุโมทนาชอบนุโมทนากันอย่างเนี่ยเวลาไปทําบุญมาที่วัดเดี่ยวทำบุญมานะอย่าลืมโมทนาไม่รู้ใดบุญหรือได้บาปก็ามอมดให้โมทนากันอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวเนี้เป็ น, ป น, ปนกิจกรรมไปหมดเสร็จแล้วอย่าลืมโมทนานะอย่าลืมโมทนานะเห็นไหมก็เลยก็เลยเป็นกิจกรรมโมทนากุศล คือคือเวทนาเขาจะบางท่านจะชัดกว่าขันอื่นถ้าหากในกลุ่มของกลุ่มของบางคนนี่หนักในอรูปบางคนก็หนักในรูปใช่ไหมฉะนั้นในด้านของเวทนาเนี่ยก็ต้องมาสังเกตว่าบางท่านเนี่ยชัดกว่าสัญญาขันบางท่านก็ชัดก่บวิญญาณขันหรือว่ากลุ่มสังขารขันอื่นๆใช่ไหมเขาก็ชัดถึงอันนั้นก็แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าหลายๆคนที่นั่งๆกันอยู่เนี่ย หลายหลายคนเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเวทนาจะชัดกว่าขันอื่นใช่ไห ม, ท, มทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าอย่างเราท่านทั้งหลายจะได้อะไรได้กุศลในระดับของการเมาวาจรในด้านของการเมาวาจรที่เราได้กันอยู่ในประเภทที่มาหากุศลเนี่ยนะ<ต>เปนไปในทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลการอ่อนน้อมต่อมตนตการให้ส่วนบุญการมโนทนาส่วนบุญการฟังธรรมและการแสดงธรรมแล้วตอนนี้คือการฟังธรรมใช่ไหมแล้วพระก็แสดงธรรม แม้าอาตมามาแสดงธรรมอาตมาก็ต้องระวังความคิดถ้าอาตมามานั่งตีวิปากเล่นเพื่อจะทําบาปเล่นอาตมาก็ไม่เอาเลยพูดทําตมหยุดดีกว่าเนี่ยนะก็สังเกตว่าบุญที่กระทําไปเนี่ยเป็นไปกับทวีเหตุหรือตีเหตุเป็นไปกับสมนัติหรือโทมนัตอาตก็สงเกตเรื่องเวทนาที่ได้เป็นเวทนาละเอียดหรือเวทนาใหญ่ แลวเวทนาเหล่านี้ที่เราไปรอบรู้เวทนาเหล่านี้ที่เป็นกุศลเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นกุศลที่เป็นไปกวัตคามินีหรืออวัตหรือว่าเป็นไปถวัตคามินีเป็นไปเพื่อพพบหรือเป็นไปเพื่อออกจากพบท่านมาก็ต้องพยายามระวังใจตัวเองไม่ผิดอย่างนี้ก็เลยว่าแม้สแสดงธรรมก็ต้องระวังพอหยุดสแสดงธรรมก็ต้องให้เป็นใปกับกุศลยั ง, acer, ยงไงถึงแม้ปารลบเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นแล้วก็ต้องรู้จักรักษาใจเรา voilà, อย่างไรองแล้วเมื่อคุยเรื่องอื่นปารลบเรื่องอื่นที่มันจะออกจากนอกแบบนอกคําสอนต่างๆเราจะสรลงในอรแล้วจงไร สรุปลงในคําสอนอยังไงเพื่อไม่ให้เป็นสัมผัสผละปะเราจะได้ไม่เป็นบาปยังไอย่างนี้ก็ต้องรู้จักระวังตัวเองเป็นได้ยินไหมคือเราพูดนบางทีมันออกนอกเรื่องไปแล้วเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อดํเอาเสื้อขาวเสื้อสีน้าเงินไปเยอะแยะมาด้วยนะเราจะสรุปลงคําสอนอยังไงเนี่ยถ้าเป็นงั้นก็ยุ่งเลยเดี๋ยวนี้เราก็กลายเป็นสัมผัปผละปะก็กลายเป็นเพ่อเจอกลายเป็นการพูดไร้สาระถ้าเป็นพระก็ผิดเเนี่ยนะถ้าเป็นโยมด้วยแล้วก็เป็นเดรัจฉานเลย นี่ก็เดรัจฉานน ก, กถาเป็นคำพูดที่เป็นไปในการที่จะขวางปิดกั้นในการบรรลุมรรคผลยุ่งเลยเข้าใจยังถ้าบรรลุมรรคผลได้แล้วนันเป็นไปกับมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิได้มากกับกันสารวัตรเราอยู่ยุ่งใหญ่แต่กรรมเหล่านี้ให้ผลก็ไม่ ไ, ไม่เลยเห็นไหมเนี่ยเราไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยกับเขาเลยพอจะต้องตกนรกเพราะมีสิ่งนี้เป็นอารมณ์นี่ไม่คุ้มเลยอเข้าใจยัง ก็ก็ให้เข้าใจอย่างนี้ทีนี้เวทนาที่เป็นไปในปฐมฌานหยาบกว่าไหมในทุติยฌานไหมทุติยฌานก็หยาบกว่าตทัยาตทยฌานตัทยฌานก็ยาบกว่าจตวัฏฌานเป็นต้นจนถึงอรูปฌานแล้วก็จะถึงโลกุตละกมัคเลยทีเนี้ยเวทนาที่ในโสดาปริมัคหยากไหมหยาบน่าได้ไหมใช่ที่เรามาเรียนเนี่ยเราคิดแบบเนี้ยพอคิดได้ เวทนาในโสดาปริมักยาบกว่าในสกอาทาคาริมักในสกอาธาคาริมักก็ยาบกว่าในนาคาริมักนาคารมัมกก็ยาบกว่าธาตุมั้แม้คิดอย่างนี้คล่องเลยแต่แต่สิ่งหยับหยับที่พูดเนี่ยเรายังไม่เคยได้เลยใช่ไหมตั้งแต่ลูปาวจรมาเนี่ยน่าอันดีก็ได้มันอะไรแต่ปัจจุบันเนี่ยพบยังไม่เคยเกิดขึ้นในกระแสขันเลย เวทนาที่เป็นวิบากกิริยาในภูมินั้ น, น, น, น, นเวทนาที่ตรัสไว้โดยประเภทแห่งทุกเวทนาเป็นต้นที่ไม่เข้าสมาบัติเป็นต้นก็เป็นเวทนาที่เป็นอาสวัตเป็นต้นนั้นก็ไปแยกแยกในรายละเอียดต่างๆถ้าเวทนาในนิริยภูมิเป็นเวทนาหยาบทุกเวทนาในเลยฉานภูมิเนี่ย น, นี่ก็ไล่ไปใช่ไหมทุกเวทนาในนรกหยาบ ก, กว่าทุกขเวทนาในสัจจะฉาด ทุกเวทนาในสัตว์เดรัจฉานยากกว่าทุกเวทนาของเปรตใช่ทุกเวทนาของเปรต ก, ก, ก, ก, ก, ก, ก, ก, ก็ยากกว่าทุกเวทนาของอสุรกายทุกเวทนาของอสุรกายก็ยากกว่าทุกเวทนาของมนุษย์เนี่ยนะในบดามนุษย์ก็มาแยกดิแยกคนเป็นโลกเลือนคนเป็นโลกเอสคนเป็นโลกไตฟอกไตทุกเวทนาจะลายไปตามแต่ชีวายอ ม, มนองเนี่ย แล้วตอนนี้อะผ่านนี่ยังเวทนานั้นแต่ว่าตอนนี้ไม่เกิดใช่ไหมเคยเกิดไหมจะไปเกิดอีกไหมถ้ายังมีขันไปชุบอีกเดี๋ยวก็ไปโดนฟอกเลือดอีกทานายให้เลยไม่พบใดก็พบหนึ่งต้องโดนฟอกโดนฟอกในปัจจุบันเนี่ยพบเหมือนดีก็ไปโดนฟอกในไบยภูมิในไบยภูมิมันก็มีเครื่องฟอกนะในไบายาภูมิเนี่ยมันจะมีเครื่องฟอกที่รุนแรงกว่านี้อีก เห็นไหมถ้าหากว่ามองในลักษณะนี้น่ากลัวมากี่เราท่านทั้งหลายยังไม่พ้นจากการคือสติปัฏฐานจริงๆก็มีทั้งสมถะได้วิปัสนาการเดินได้ปฐมฌานก่อนก็เป็นก็เป็นสติปัฏฐานนะพทธคุณก็เป็นสติปัฏฐานธรรมคุณสังกคุณเป็นต้นก็เป็นสติปัฏฐานนะไม่ใช่ไม่เป็นนะแล้วอันนี้ทปฏิบัติอันไหนมันจะจง่ายกว่าหรือว่าอยู่ที่คนที่เขามาทางสายอุปจารสมาธิกับอปนาสมาธิเป็นบาทรเขาเจริญสะดวกกว่าเราเยอะ กว่าคนที่เดินธรรมดาอย่างนี้เยอะเพราะกลุ่มนิวรนทั้งหลายไม่แทรกแล้วเราจะรู้อย่าง่เราจะทดสอบตัวเรารองปฏิ บ, บัติเอาเราเนี่ยถ้าทำให้อุปจารและสมาธิได้ก่อนน่ะถือว่าดีที่สุดจะได้ไม่ฟุกถือว่าดีเข้าใจไหมทดสอบว่าการเราจะสามารถปบสมาธได้เอางี้นะใชวิธีทดสอบเริ่มต้นเลยนะฝึกฟังทำไม่ได้สักสี่ชั่วโมงติดต่อโดยไม่พาดจิตที่อื่นสี่ชั่วโมงแค่นั้น เอา4ี่ชั่วโมงฝึกให้ได้เอายืนเดินนั่งยืนเดินนั่งเนี่ยให้ได้ใจไม่าพาดไปหยากเสกกระแสมาทำนี่ฝึกไปเรื่อยๆนะเขา้าเดี๋ยวอุปจารสมาธิเป็นเรื่องง่ายมาหรู้สึกว่าเวลาที่เราสวดเวลาชัว่วโมงเนี่ยตอนนั้นจะนั่งสมาธิได้ดิงแล้วก็เอาเลยงั้นสวดทุกวันเลยน่นหละออลใช่ทีมันเหมือนนักมวยก็ซ้อมก่อนขึ้นเวทีนักกีฬาแล้วก็ซ้อมก่อนวิ่งไงนะก็ไม่แปลก อ้าเราลุเราเร า, เราก็ศึกษาให้ดีเลยตรงนี้ต่างหากจะเป็นเครื่องวิจัยถ้ามีพระเจ้าคอยกะซิบบอกอยู่จะไปหลงได้ไงสำคัญท่านไม่ยอมฟังพระเจ้าเอาเอาเราจะเอาตัวเองเป็นใหญ่กันอยู่งเลยไอ้ตรงนี้ก็คือเวทนาที่หยาบเวทนาที่ละเอียดค่อนข้างที่เยอะนะอดีตอนาคตปัจจุบันไปแล้วหยาบละเอียดไปแล้วต่อไปก็ไกลและใกล้โอ้โหลำบายเลยยอะมันจะเยอะไปบ้งเนี่ยเรื่องเวทนาวเวลานี้เบรกกันก่อนดีไหม ทีนี้กรณีในลักษณะดําหลาที่บอกว่าเวทนานี่นะอกุศลเวทนาเนี่ยใกล้กับอกุศลเวทนานอื่นๆเลยนะอกุศลเวทนาจึงไกลาจากกุศลเวทนาและอัพยากะตะเวทนาใช่ไหมคนละ ม, มุมเลยไหมดํากับขาวไกลกันไหมแต่ทั้งๆ ท, ท, ที่มันเกิดใกล้ชิดกันได้แต่ท่านเรียกว่าไกลเอาสิเนี่ยเราก็เข้าใจคําว่าใกลใกล้แล้วใช่ไหมีมุมหนึ่มมมน มันไม่ใช่มีมุมเดียวนะคำสอนพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าที่เป็นวิพัตชวาทีนะเห็นไหมว่าสภาพของกุศลเวทนาอวิยากตะเวทนาก็ใกล้กับอกุศลเวทนานั้นด้วยเหตุดั้งที่กล่าวแล้วแล้วอกุศลเวทนาก็ใกล้กับอกุศลเวทนาอื่ น, นพราะมีสภาพเดียวกันระคนกันแล้วก็เหมือนกันก็ไปพิจารณาในลักษณะอย่างนี้เนาะนั่นแหละในในดํารัดในลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าใกล้ใกล้ต่างๆอย่างนี้ในรายละเอียดจะไม่ตามไปแล้ว เพราะมันจไกลใกล้ต่างๆบางทีเขาก็เอาพวกอาบายภูมิเนี่ยกับมนุษยภูมิเป็นต้นนะโรคภูมิโรคภูมิเป็นต้นก็จัดว่าเป็นไกลไกลแต่สรุปตรงนี้ก็คือว่าในทางคําสอนเนี่ยนะพระบรมาศาสดาก็จะสอนบอกว่าผู้เป็นพระหูสูตรเมื่อประกอบด้วยความรู้และสดับมากทั้งปริยัติทั้งคําสอนของพระบรมาศาสดาอย่างนี้แล้วที่อนิพินธติเนี่ยย่อมเบือนนายให้คําว่าย่อมเบือนนายในที่นี้จริงๆพระพุทธเจ้าสอนถึง ในเรื่องของการที่ว่าเพื่อต้องการให้ออกจากเวทนามเมื่อเบื่อหน่ายก็จะย่อมกําจัดนี่กล่าวถึงอริยมรรคเป็นต้นเหล่านี้นะก็หมายความบอกว่าควรจะเบื่อหน่ายได้แล้วเวทนาเนี่ยเวทนานั้นไม่เที่ยงใช่ไหมเพราะปัจจัยที่ทําให้เกิดเวทนานั้นหนึ่งเวทนาไอตัวเวทนาที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยเดียวนะเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยมากใช่ไหม ทั้งสัมบัญญตปัจจัยทั้งอุปนิสยาปัจจัยทั้งสาชาตปัจจัยอัญญมัญญานิสยาใช่ไหมอีกเยอะแยะไปหมดทั้งนานักขณะกรรมว่าปัจจัยเป็นต้นฉะนั้นปัจจัยที่จะทำให้เกิดเวทนานั้นมีมากเพราะเวทนาเป็นสภาวะธรรมเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่เกิดขึ้นมาโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดมาจากปัจจัยที่ไม่เที่ยงแม้ตัวเวทนาเองก็ไม่เที่ยงเป็นต้นต้องกุ้ยใจไปตามลําดับในรักตัว น, นี้เพราะจะเบื่อหนะัเนี่ยต่อไปเวลาไปเนี่ย แต่นี้เราจะไปสังเกตเวทนาได้ชัดเลยเนี่ยใช่ไหม